วันนี้เป็นวันมหาปวณาเป็นวันออกพรรษาบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ไม่ว่าแต่ประเทศไทยต่างประเทศที่มีพุทธศาสนาก็ออกพรรษากันวันนี้แล้วก็เลยถือกันว่าเป็นวันสิริมงคลเป็นวันทำบุญทำกุศลของพวกคณะญาติโยมเป็นพิเศษ คนที่ไม่เคยมาวัดเมาวะก็ส่งมาเพราะือว่าเป็นการเวลาที่จะต้องทำบุญแต่นั้นคนวันนี้จึงมีเป็นพิเศษหลายหน้าหลายตาต่างคนก็ต่างมุ่งมา <c oughs> สแสวงบุญสแสวงกุศลการออกพรรษาก็มีปีหนึ่งเพียงวันเดียวเท่านั้นเพราะพระ ท่านเข้าพรรษามาระยะสามเดือนการออกพรรษาเป็นเรื่องของพระเมือนใเป็นเรื่องของโยมแต่อยติโยมก็ถือว่าพระท่านจําพรรษามาระยะเวลาสามเดือนวันออกพรรษาก็ควรทําบุญสุนทานเป็นพิเศษจากนี้ไปก็เป็นเทศกาลเกิดฉินคือพระที่จำพรรษาร่วมกันห้าองค์ไม่ขาด ทันาก็มีสิทธิ์ที่จะรับกระชินได้ถ้าขาดทันสาหรือจำนวนน้อยกว่านั้นทางาพระวินัยท่านก็มีอนุญาตให้นี่อั น, นิสง์ของการทันษาแต่ความจริงหน้านี้ก็เป็นหน้าอา น, นิสง์ทางพระก็มีอ น, นิสง์่าปากระชิน ท, นทางญาติโยมผู้ที่ทหนาทำสวนก็อั น, นิสงเจ็บเกี่ยวพืรผลต่างๆทางราชการ ก็อันนี้สงี่จะได้เลื่อนยศเลื่อนเงินเดือนขึ้นตามหน้าที่การงานสี่ตัวทำนี่คือหน้าอันนี้สงหน้านี้แต่ถึงอย่างไรก็ดีการทําความดีคือทําบุญทํากุศลเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องสนใจการทําบําเทนเอาไว้ <c oughs> เพื่อจะได้เป็นสเสบียง สำหรับหล่อเลี้ยงจิตใจของตัวเมื่อยังอยู่ก็มีความสุขความสบายเพาเลือเล่อลึกได้ว่าเราได้ทำบุญสุนทานทำการกุศลอย่างนั้นอย่างนี้แล้วลึกขึ้นเมื่อได้จิตใจก็ชุ่มชื่นเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ไหม้ไม่เผาไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะจิตถึงความดีที่ตัวทาไว้จิตใจยอมผ่องใสจิตใจยอมเย็นเย็น ไม่เหมือนคิดถึงความชั่วีตัวทําไว้เสียาหาอย่างนั้นเสียาหาอย่างนี้คิดไปจิตใจเศร้าหมองจิตใจมืดมนจิตใจเป็นทุกข์นี่คิดถึงความชั่วเป็นอย่างนั้นวันนี้พวกวิศวกรสมพูตถึงเรื่องลัทธิคอมมินิสต์ให้ฟังเราก็เป็นผู้ฟังมีหน้าที่ฟังไม่ได้ตอบ ่อยเสียงความกับเขาอะไรเขาถือว่าพระเจ้าพระสงฆ์พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอะไรก็ดีในลทัทธิคอมมิวนิสต์ไม่มีเพราะถือว่าพวกเหล่านี้เป็นพวกที่เอาเปรียบสังคมเป็นยาเสพติดไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรสำหรับผู้เลื่อมใสศรัทธา เอาไปให้เท่าไรก็หมดไปเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องตอบแทนให้เขาเลยไม่มีความเลื่อมใสมนนี้ความยินดีในเรื่องของศาสนาถือบาพระเอาเปรียบสังคมไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้แกโลกนี่ตาของความเย็นิ้เป็นตาทั่วตาฟางตาบอดมองไม่เห็นคุณค่าสาระอะไรในทางศาสนาลัทธิของเขา เหมือนลัทธิของสัตว์มีแต่กินแต่ขี้ไม่มีทําคุณงามความดีอะไรอย่างอยู่ในประเทศไทยของเราสมัยปัจจุบันที่เราได้ยินกันอยู่ก่ไม่ได้ยินเขาทาความดีอะไรนี่แต่ไปโจมตีที่นั้นดักซุ่มทําร้ายที่นี้สร้างถนนหนทางหรือเขาก่อขัดขวางเผาสะพานเผาโรงเรียนนี่หรือไอ้พวก ทำความดีที่จะให้คนมีสติมีปัญญาเหลื่อมใสศรัทธาพระเจ้าพระสงฆ์ที่บวชมาในศาสนาเห็นว่าอะไรคุณค่าไม่มีสาระอะไรเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องของความดีของพระและเขาเองก็ไม่เคยบวชเพื่อศึกษาความดีในด่านจิตด่านใจถึงเคยบวชอยู่บ้างก็เพียงผ่านวัดเหมือนกับสุนัขเข้าวัดเท่านั้น ไม่เห็นคุณค่าสาระของอัดทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่เคยประพฤติปฏิบัติให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในจิตในใจเขาจึงตาพูดได้ปากได้ว่าได้ก็ปากของเขาเราจะเอาเนยยายอะไรกับคนพานไม่ได้ปากคนพานก็เหมือนปากหมาพระมันก็เหา่าโจรมันมันก็เหา่าเรื่องเหล่านี้มันมีประจําโลกเราจึง ควรพิิษฐ์พิจารณานำมาใต่ตองดูเมื่อไม่ควรตอบไม่ควรพูดก็ไม่ต้องตอบต้องพูดให้เสียเวลาเรื่องสันเหลือเสรนินทาเรื่องดีเรื่องชั่วมันเป็นคู่กันในโลกคนที่ไม่ถูกนินทาในโลกนี้ไม่เคยมีพระพุทธเจ้าในเปล่งอุทานเป็นพราสิตไว้ว่านัตติโลกเกอานันทิโต คนไม่ถูกยินทาไหนี้ในโลกแม่พระพุทธเจ้าองค์เคยได้ทําคุณงามความดีแก่โลกมาขนาดไหนสมัยยังเป็นคารวะอยู่พระพุทธองค์สีทธ า, ธากุมากรก็สร้างความดีคือเป็นกษัตริย์ปกครองไฟฟ้าประชาชนด้วยท่าสพิตราช ธ, ธรรมคือปกครองด้วยความดีประชาชนพนลเมืองทั่วไปไฟฟ้าตัทธาเหลื่อมใส ยินดีเต็มใจถือว่าเป็นกษัตริย์ที่น่าเหลื่อมใสที่นาศรัทธาที่นาบูชาทุกอย่างแต่ถึงกันนั้นพระองค์ท่านว่ามีอำนาจลาดสัก์เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของใจคือเกิดแก่เก็บตายได้พระองค์พินิจพิจนารณาเรื่องเหล่านี้จึงหนีพินแนฐสะกม คือออกบวชออกบวชแล้วพระองค์ก็ไม่เคยไปทำร้ายใครไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตั้งใจทำคุณงามความดีเฉพาะตัวจนรู้ทั่วเรื่องกิเลสตัณหาควรละควรถอนอย่างไรเข้าใจชัดเจนเห็นโทษเห็นทุกเห็นเรื่องต่างๆในโลกอย่างจริงจัง คนพบทุกอย่างคนเกิดมาที่ได้รับความทุกข์ยากอนาถาเป็นเพราะอะไรคนตายไปจะได้สุขได้ทุกนั้นท่านทราบพระพุทธเจ้าท่านมีพย า, ยานทุกอย่างุูเพนิวาสานุสจิยานลึกชาติผลหลังได้นับไม่ถ่วน ว่าเคยเกิดเคยตายที่ไหนเป็นอะไรทุกอย่างลําบากหรือมั่งมีที่ถูกอย่างไรทราบได้เจตูปตัตยานทราบความจุติและเกิดของสัตว์วันนี้สัตว์เกิดเท่าไรเป็นหญิงเท่าไรเป็นชายเท่าไรเป็นตัวผู้เท่าไรเป็นตัวเมียเท่าไรพระองค์ทราบแล้วสัตว์ตเหล่านั้นจะอยู่ไปได้กันกี่ปีทราบทั้งนั้นวา คนนั้นจะมีอายุเท่านั้นคนนี้จะมีอายุเท่านี้ไม่เคยมีอะไรปิดบังในพยานของพระ อ, องค์รู้ทั่วเข้าใจถึงทุกสิ่งทุกประการไปตลอดถึงอาสวัตสยยาญาณกำจัดเรื่องอาสวะติีเล็ออกจา ก, กจิตจากใจไม่มีอะไรเหลือหรอพอที่จะให้สงสัยว่าตายไปนี้จะไปเกิดที่ไหนอีกจะมีกิ้เล็ดหน้าไหนมาหลอกลวงจิตใจ ให้ลุมหลงอีกละไปได้ทอนขาดแล้วออกสอนพุทธบริษัท ต, ตั้งแจตัดสรุเสร็จแล้วก็พิจารณาหาสั์ที่ควรโปรดควรสอนทำประโยชน์ไม่เห็นแก่เงินแก่ทองแก่เขา่าแก่ของแก่เนี่ยแก่เหนื่อยพระองค์ทำประโยชน์แก่โลกจริงๆจังจังโดยไม่ได้มีค่าจ้างรางวัลอะไร เหมือนพวกคนธรรมดาคนธรรมดาสามัญจิเลศเราไม่เป็นอย่างนั้นจะไปเทศก็ต้องมีการเทศพระที่มีจิเลสตัณหาครูอาจารย์ที่ศึกษามาจะไปสอนก็ต้องมีเงินเดือนหรือมีรางวัลให้<ม>เขาจึงทำกันนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้หวังอะไรขอให้คนนั้นเข้าใจประพฤติปฏิบัติตัว ให้เกิดสาระประโยชน์เท่านั้นนี่คือพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราที่รู้บุญคุณผิดถูกชั่วดีต่างๆมาตลอดทุกวันนี้ก็เพราะอาศัยกา ร, รสอนของพระพุทธเจ้าลทัทธิของความมินิสเขาไม่ได้คิดถึงคุณค่าสาระเหล่านี้เขาเกิดมาเหมือนกันกับสัสเกิดพ่อแม่ของเขาเขาก็ไม่มีความเคารพเลื่อมใส ไม่เห็นมามีบุญมีคุณอะไรกับเขาเพราะความกำหนัดเยินดีความเผยเพลินมัวเมาของพ่อแม่เท่านั้นทําให้เราเกิดมาเขาคิดเชียงแฉ่นั้นไม่ได้คิดว่าเราเกิดมาท่านเลี้งดูรักษาขนาดไหนป่าใจใหญ่โตเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้มันลําบากยากยุ่งขนาดไหนเลี้ยงลูก อุตสาห์พยายามทุกอย่างลูกป่วยพ่อแม่ก็ป่วยไปด้วยไม่มีความสุขความสบายให้มีหยุกเนียาที่ไหนดีๆเข้าของเงินทองที่หามาเป็นปีๆหรือสิบสิบปีก็ยอมเสียสละเพื่อลูกจะได้หายจากการป่วยการไข้นอกนั้นมูลมรดกตกทอดมาจากปู่ย่าตาทวดทากลูกไม่หายก็ยอมขาย เพื่อลูกจะได้หายจะโครคไข้ไข้เจ็บบิดามันดาเอาใจใส่ขนาดไหนเลี้ยไล ย, ยุงต่างๆมารบกวนก็ไปซองดูไล่ให้กินไม่ได้กดเชี่ยวป้อนให้ถ่ายหนักถ่ายเบ า, า, เ, บาเอามันดาเอาบิดาเอาผอเอาแม่เป็นส่วมท่านเคยคิดไหมว่ามาัชชีแล้วเยี่ยวใส่เราเราจะ เขียนจะตีไม่เคยเขียนเคยตีมีแต่เสพแต่ละเวลาอาบน้ําอาบท่าต่อาศัยบิดามารดาอาบให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจนกระทั่งสิบปีก็ยังไม่มีความคิดเห็นอะไรที่พอจะช่วยตัวเองได้ต้องอาศัยบิดามารดาอยู่อย่างนั้นแต่ถึงกับนั้นเขาก็ถือว่าบิดามารดาของเขาไม่มีคุณค่าสาระประโยชน์อะไร <c oughs> กับเขานี่ลัทธิของสัตว์ลัทธิของความมินิสลัทธิของสัตว์คนไม่มีบุญมีคุณคน ม, มีบุญมีคุณไม่เห็นบุญเห็นคุณของเขา <c oughs> เขาเรียกว่าคนเนรคุณถ้าหากเขาเรียงลูกของเขามาแบบนั้นลูกของเขามาดูหมิ่นนินทามาดา่ามาว่าหรือมาข่ามาตีเขา <c oughs> เขาจะคิดอย่างไรยังไม่ถึงโอกาสเวลาระยะของเขาที่พบแบบนั้น เขาก็ได้พูดไปตามสายสีภาษาตามกิเลสตัณหาตามบาตามบอของเข า, าหากเขาคิดธรรมดาสามัญชนเราเขาพูดไม่ออกเพราะบิดามารดาเป็นผู้ที่มีคุณแจกเขามากหากเกิดมาท่านมีสงสารเมตตาปล่อยทิ้งไว้มันจะเติบใหญ่ไหมลูกคนไม่ใช่ลูกกบลูกเขียดพอไข่แล้วกว็หนีไป ที่ใหม่ต้องเลี้ยงดูกันอยู่เป็นระยะเวลานมนานกว่าจะเติบโตขึ้นมาได้แต่ถึงกันนั้นบางท่านบางคนเติบใหญ่อายุ40 30ปีก็ยังไม่มีปัญญาที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้ต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อยู่ตลอดเวลาแคะหนังหมดแล้วก็แคะกระดูกเลื่อยเข้าไปเป็นอย่างนั้นมันก็มีคามเมนิดเขาไม่เห็นคุณค่าสาระอย่างนี้ เขาจึงดูหมิ่นนินทาเรื่องของศาสนาก็ทํานองเดียวกันเขาไม่เห็นคุณค่าสาระให้ศาสนาสอนคนให้ดีสอนคนให้มีศีลมีธรรมสอนคนให้รู้จักบุญคุณสอนคนให้รู้จักความเคารพกาบไหว้อ่อนน้อมถ่อมตัวไม่ได้สอนคนให้ชั่วให้เสียให้เป็นสัตว์เหมือนละทิ้งความมินิทแต่เขาไม่ได้คิดไม่มีคน เขาเขาก็พูดไปตามหน้าที่ของเขาคนที่จะไปตอบเขาก็ไปตอบกับคนที่ไม่เป็นประโยชน์เหมือนกันกันกบหมาบ้าเราจะไปกัดกับหมามันก็ไมไหลชุ่มควรก็ปล่อยให้มันไปตามเรื่องของมันมันเป็นทํานองนั้นเมื่อตัวพูดได้ไม่มีใครตอบก็ถือว่าตัวเก่งตัววิเศษไม่มีใครที่สามารถอาจ ต่านทานวาทของเราได้มันชิดมันหมายไปแบบนั้นก็เป็นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราก็จะต้องพินิจพิจาจณาตัวของเราเองเรื่องความมีนิตนอกเป็นอีกอย่างหนึ่งคือเป็นจากคนอื่นความมีนิตในคือความมีนิตจี่ใจของเราเป็นเรื่องสำคัญ มันลบกวนเกิดทุกข์เกิดโทษเราจะไปวัดไปวามันก็ว่ายุ่งอันนั้นอยากอันนี้ห่วงอันนั้นจะภาวนากวถือว่าเดึกดดื่นเชี่ยงคืนแล้วจะทำความดีอะไรมันหักห้ามเอาไว้จะให้ทานกลวกลัวอดอยากยากจนนี่ควา ม, มนิดภายในใจของเราควรขับไล่ควรกำจัดมันไป หากใครมีมากเท่าไรมีความโลภความโกรธความหลงมากเท่าไรคนนั่นก็เป็นภยัยเป็นทุกข์ในจิตในใจของตัวเท่านั้นหากสามารถกาจัดออกไปได้ความสุขความสบายก็จะเกิดขึ้นคือกาจัดความมีนิสัยในเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราท่านมีกันทุกคนที่จะต้องกาหนดจะต้องรักษาต้องปฏิบัติ เอาธรรมะเข้าส่องดูว่าที่ไหนมันเป็นที่อยู่ของความนนิยแล้วก็รีบ ก, กําจัดปัดเป่ามันออกไปเพราะมันเป็นภัยต่อศาสนาเป็นภัยต่อธรรมะเป็นภัยต่ อ, รรตอจิตใจที่บริสุทธ์ผุดผ่ดองท่านจึงให้กําจัดคําสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระสงฆ์ที่นามาสอนมันเป็นสาระประโยชน์อยู่มากหากพระเจ้าพระสงฆ์ไม่มีไม่ได้นาธรรมะมาสอน ใครเล่าเขาจะรู้จักบาปบุญคุณโทษผิดถูกชั่วดีคำสอนข้อไหนเป็นพิษเป็นภัยมันไม่มีมีแต่คำสอนดีดีทั้งนั้นถ้าหากใครต่างหน้าต่างตาปฏิบัติรักษาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคนดีไม่ว่าแต่มนุษย์ธรรมดาจะรักใครสละเสริญแม้แต่เทพเจ้าก็ยังมากา่าบ่าเพราะความดีที่เขามีอยู่ในตัวของเขา ดันั้นเราเกิดมาที่จะทราบว่าอันนั้นบุญอันนี้บาปอันนั้นดีอันนี้ชั่วดิดามารดาปูยาตาถวดนํามาสอนเราให้ทําอย่างนั้นให้ทาอย่างนี้เกิดมาจากธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าทางนั้นไม่ใช่พระเจ้าพระสงฆ์ไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นไทยสังคมไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระเจ้าพระสงฆ์เคยไปทําชั่วทําเสียที่ไหน ไปเผาสะพานที่ไหนไปเผาโรงเรียนที่ไหนไปปนไปกีดไปข่าไปจีที่ไหนข่าเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่ในวงพ้องอัดพ้องทำท่านประพฤติดีหน้าเลื่อมใสหน้าศรัทธาหน้ากราบว่าใครเป็นทุกข์ใจมีปัญหาอะไรเข้าไปไปถามท่านไปกราบเรียนท่านไปศึกษาท่านท่านจะอธิบายให้ท่านจะแก้ไขให้จิตใจก็เลย หายสงสัยจิตใจก็เลยเบาเลยสบายคนทุกส่วนใหญ่จึงวิ่งเข้าไปหาพระหาเจ้าหาวัดหาวัหาที่พึ่งทางจิตทางใจจะอาศัยแต่วัตถุมีมากๆแล้วจะมีความสุขความสบายนั้นอย่าไปคิดไปหวังเลยเรื่องจิตใจของเรานั้นถ้าหากจะไปเชื่อตามเรื่องของความอยากแล้ว ไม่มีวันมีเวลาได้เท่าไรไม่มีเมืองพอได้หมดโลกนี้ประเทศนี้ยากได้อยากได้ประเทศอื่นได้ในโลกนี้ยังยา ง, ยงได้โลกอื่นเรื่อยไปความอิม่มความใจในวัตถุมันจึงไม่พอเป็นแต่จึงว่านัตติตัณหาสมาณะทีแม่น้ําเสมอด้วยตัณหาไม่มีคือมันใหญ่ตัวละโหัฐานมากไม่มีอะไรที่จะเทียบ เท่าเรื่องของตัณหาความอยากขล้องใจนั้นไม่มีฝั่งมีฝาลึกกว่าลึกแสนลึกกว้างกว้า ง, างแสนกว้างไม่มีอะไรที่จะมาวัดให้เข้าใจว่ามันลึกขนาดไหนมันกว้างขนาดไหนมหาสมุทรกว้างใหญ่เขาก็ยังทราบได้ว่าที่นั้นลึกขนาดนั้นกว้างขนาดนีน้แต่จิตใจของคนที่มีกิเลสตัณหาไม่มีใครที่จะทราบได้ ว่ามันกว้างขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนลึกขนาดไหนนี่กิตใจที่มีกิเลสตัณหามันจึงไม่มีวันเวลาอิ่มพอต่ออาม i t h มีเท่าไรมันก็ไม่พอในใจพระพุทธเจ้าจึงสอนให้หาความสุขสันสุทธีปรามังท่านหนความสันโดษความยินดีในสิ่งที่ตัวมีตัวได้นั่นแหละเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง เป็นความสุขถ้าหาให้มันอยากไม่มีวันเวลายินมพอมันไม่มีความสุขให้ขอให้ยินดีเต็มใจในสิ่งที่เราทำขึ้นมีอยู่เราก็มีความสุขพอเป็นพอไปถ้าหากจะคิดใหญ่ไฟสูงเลื่อยไปทั้งทั้งที่ไม่มีก็อยากได้มันก็เกิดทุกข์อยากได้มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรให้เพราะมันไม่ได้มาตาม ามปรารถนาทุกวันจิงเผาจิตใจของเราเลื่อยมาแต่นั้นพระพุทธเจ้าสอนคำสอนของท่านมันมีทั้งทุกขั้นเบื้องต้นก็มีคือประโยชน์ปัจจุบันสอนให้เรามั่งมีพอกินพอใช้ด้วยอาศัยความขยันหมั่นเพียรอุท ธ, ธานาะสัมปทาถึงความโดยความหมัน่น ตามขยันเพราะโลกมนุษย์ไม่ใช่โลกเทวดาเพราะจะนิรมิตเอาอะไรได้ตามความต้องการของใจถ้าอยากได้ก็ให้ทาถ้าทำลงไปผลที่เราทำนั้นมันจะย้อนกลับมาเราทำนะเราก็ได้ข้าวเราทำไร่ทำสวนทำพืชทำผลอะไรผลที่เราต้องการที่เราทำไปมันก็มีขึ้นเกิดขึ้น ถ้าคนขยันเอาจิตเอาใจใส่ในการงานจริงจังคนนั้นก็พอเป็นพอไปพอช้าพอสอยไม่อดอยากอยากจนไม่ถึงกับอดตายพูดง่ายๆขอให้ขยันอย่างเดียวทำเอาจริงเอาจังมันพอเป็นพอไปถึงไม่มีวิชาความรู้ส่วนอื่นมีวิชายง จักสารเท่านั้นมันก็พอเป็นไปถ้าทํากันจริงจริงแยงจั ง, จ ง, จงไม่อย่างนั้นเชี้ยปลูกฝังพืชผัดผักต่างๆหาขยันมันก็พอเป็นไปนี่หมายถึงความขยันความเอาจริงเอาจั ง, จงในการในงานของตัวแล้วก็นอกจากนั้นเมื่อหามาได้อลขะสัมปทาท่านก็ให้รู้จักรักษาอย่าไป ทอดทิ้งของมีค่าจะต้องรักษาเอาไว้พอเหมาะพอสมไม่ให้เขาลักเขาขโมยง่ายๆรักษาตามหน้าที่ของมีคุณค่ามาหน่อยต่างกันอ่ะ <c oughs> ควรักษาดีขนาดไหนก็รักษาเอาไว้ใส่ใปอดไัยนี่ียกอารักษาสำปะช้า เป็นข้อที่สองที่พระพุทธเจ้าล่าวไว้คือประโยชน์ปัจจุบันหามาได้แต่ไม่รู้จักรักษามันก็หายไปเสียไปเช่นข้าวเราหามาได้เกี่ยวมาได้เข็นมาได้แต่ไม่ทำยุ่งทำฉางใส่ไว้ทิ้งไว้ลานบ้านหมูมันก็มาจิ้นไก่มันก็มาจิ้นอะไรมันก็ไปจิ้นหมดนี่คือไม่รู้จักรักษา ได้มาไม่รู้จักรักษามันก็มีทางสิบหายเสียหายง่ายทันจริงไงมีอารักขาสัมปชาให้รักษาเอาไว้นี่พูดถึงประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ของโลกเป็นอารักขาสัมปทาญญสามาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตพอสมควรแก่ฐานะหน้าที่ของตนไม่เป็นคนตนีเนี้ยแน่น เกินไปไม่เป็นคนฟูมเฟื่อยเกินไปได้ห่าจ่ายสิบอย่างนี้มันก็ไม่มีทางเจริญให้สมบัติพัฒสถานท่านจึงให้รู้จักประมาณในฐานะหน้าที่ของตนให้มีเหลือเอาไว้อย่าให้จ่ายได้มาเท่าไรจ่ายไปหมดเท่านั้นมันสิบหายมันไม่มีทางเจริญกัลยาณมิตรตารู้จักครบทั้งขั้วเกินฝูงที่เป็นกัลยาณมิตร คือเป็นมิตรทีดีไม่เป็นนักเลงเลื่องการพ น, นันไม่เป็นนักเลงขี่เหล่าไม่เป็นนักเลงเสี่ยวกลางคืนไม่เป็นนักเลงผู้หญิงผู้ชายต่างๆทางสิบหายทันห้ามเอาไว้นักเลงส่วนนั้นไม่ครบไม่ครบกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีอย่างน้อยก็ยมีสติมีปัญญาเสมอตัว ให้ดีจริงๆให้ดีกว่าตัวขึ้นไปมีปัญหาอะไรในจิตในใจสี่คนสักหล่ยใถามให้เขาแก้ไขให้ได้ <c oughs> นี่คือกัรยานามิตรมิตรที่เนี้ยประโยชน์ให้นำประโยชน์ให้ไม่ใช่มิตรชักชวนไปในทางสิบหายในทางเสียหายต่างๆผ <c oughs> ู้ที่ประพฤติปฏิบัติฟังอัดฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วทาตาม พออาจพอทำนั่นนั้นมันก็พอเป็นพอไปไม่มีทางเสียหายอะไรถึงโอวาทอันนี้จะผ่านมาสอง0ันห้าร้อยกว่าปีก่าตามพอยังทันสมัยใหม่เอี่ยมถ้าหากคนประพฤติปฏิบัติตามยังเป็นคุณงามความดีอยู่ในโลกได้นี่พระพุทธเจ้าสอนประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ชาติหน้าประโยชน์อย่างยิ่งมีทุกอย่างโอวาทของพระพุทธเจ้า เป็นของดีมีคุณค่าจริงที่ชั่วที่เสียท่านห้ามอย่าไปทําถ้าทำเราเป็นหบาปเป็นกรรมทําในปัจจุบันก็นไม่มีใครสรรเสริญเยนยอให้เส่นเปื้อนไปจีไปข่าไปตีอย่างนี้เป็นต้นไม่มีคนใดเขาสรรเสริญนี่แต่ คนจะดูหมิน่นินทามีแต่คนจะอาฆาตจองเวรเลื่อยไปเพราะทาในทางที่ชั่วที่เสียพระพุทธเจ้าถือว่าชั่วว่าเสียแล้วคนทําอย่างนั้นสมัยปัจจุบันมันเป็นอย่างไรมันดีมันพิเศษไหมคนไปฝนไปจีไปข่าไปตีไปรักไปขโมยสิ่งที่พระ อ, องค์ทรงห้ามเอาไว้อบายะมุก ปากทางของความสิบหายเ้าพู ด, ดเจ้ากล่าวไว้ในสมัยปัจจุบันมันก็ยังทันสมัยอยู่คนที่ทำไปอย่างนั้นก็ไม่มีใครยินดีสรรเสริญนี่แต่ทางแก่สิบหายแก่ตัวขลองตัวและสิบหายแก่ท่าขั้วเผื่อนผุงนตลอดถึงวงส์กูลคลองตัวมันชั่วมันเสียอยู่เหมือนเดิมบาบุญคุณโทษ มันมีในโลกอันนี้ไม่ใช่มันไม่มีอย่างปากความมีนิดเขาพูดมันยังมีอยู่ยังมีผู้นับถือมีผู้เลื่อมใสอยู่ผูกบืช ป, ปฏิบัติท่านก็เห็นในจิตในใจของท่านมีความเย็นความสงบความสุขความสบายนักบวชไม่ใช่คนโง่คนบอดทุกคนไป ไม่ใช่คนหมดหวังจึงมาบวชหาสติหาปัญญาหาวิชาอะไรไม่ได้เข้ามาบวชเพื่งเข้าสูป่ปาตายของคนอื่นไม่เป็นอย่างนั้นถ้าหาท่านเป็นคารวะอยู่ในโลกท่านก็พอได้ไม่ใช่ว่าท่านหมดสติปัญญาหาลูกหาเมียไม่ได้จึงเข้ามาบวชไม่มีใครต้องการหาอยากหาจินไม่ได้จึง วิ่งเข า, าว่าบวชไม่ใช่อย่างนั้นท่านบวช้วยความตัท่าเลื่อมสายเต็มใจจต่ผุดพืชปฏิบัติตามอัตตามธรรมไม่ใช่คนโง่ทุกคนไปแต่ก็ไม่ได้ถือว่าฉลาดทุกคนไปอีกเหมือนกันธรรมดาของมากสิ่งที่ชั่วที่เสียมันก็ต้องมีเหมือนข้าวในานาของเราจะมันจะมีมะเมล็ดดีทุกมเมล็ดไปไม่เป็นไปได้ มันรีบมันก็มีอาหารก็ยังมีก่างมีกระดูกนี่ท้าจ่าพระสงค์ก็องค์ดีองค์ชั่วมันก็มีทํานองเดียวกันเหตุนั้นเราจึงควรเลือกคัดจัดหาที่เจรนาดูว่าที่ไหนควรจะเป็นเนื้อนาบุญของเราได้เราก็บแวงหาทําบุญสุนทานหรือถือเป็นครูเป็นอาจารย์เท่านั้นเพราะเรามีสิทธิ์ไม่ใช่ เราอยู่ในลัทธิของความมีนิดเราอยู่ในโลกเซลีมีสิท์เราอยากจะไปทำบุญทุนทานที่ไหนไปได้ไม่ต้องมีใบาลาคน น, คนนั่นคนยี่เที่ยก่อนจะไปคิดใดทางใดไปได้สะดวกสบายสมบัติเราหามาได้ก็ไปถูกหลวงลิปตเอาไปรดลิฟตเอาไปเรามีสิทธิ์ที่จะใช้จะซื้อจะขายจะจับจะจ่ายอะไรมันสะดวกสบาย นีโลกเสรีจิตใจของเราก็ทํานองเดียวกันคิดไปได้พิจารณาไปได้ตามสะดวกสบายให้พิ่นี้พิจารณาวันนี้เป็นวันออกพรรษาเป็นวันมหาพรตนาท่านให้ตักเตือนกันได้ที่เห็นก็ดีที่สงสัยก็ดีที่ได้ยินก็ดีเรื่องฉวยเสียอะไรที่จะเป็นภัยอันตราย ในบอกกันได้เตือนกันได้เรียกว่าภาวนาทางศาสนาถือว่าเป็นสังฆกรรมอันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้พระเจ้าพระสงฆ์ก็เดีออกพรรษามาแล้วแล้วพวกญาติโยมบางท่านบางคนเคยคิดว่าในพรรษาจะทําบุญสุนทานอย่างนั้นอย่างนี้พอออกพรรษาก็ออกหนีไปเลยไม่เกี่ยวข้องกับบุญกับกุศลกับศีลกับธรรมอะไร ความคิดความเห็นแบบนั้นมันผิดอีกเหมือนกันเพราะธรรมะของพระพุทดธดเจ้าที่ว่าเข้าพัรษาออกพัรษาเป็นเรื่องของพระไม่ใช่ออกจากบาปจากบุญออกพัรษาแล้วกิเลสตัณหาของเราออกไปไหมหรือยังมีกิเลสตัณหาในใจถ้ามันมีกิเลสตัณหาในใจเราก็จะต้องขับไล่จะต้องทีาา่ารณาจะต้องชำระสหสางเหมือนกันกับ โรคในกายของเราถ้ามันไม่หายในพรรษาเราก็ต้องรักษาออกพรรษาเราก็ต้องรักษาเพื่อจะให้โรคในกายมันหายจะได้อยู่สะดวกสบายหรือเหมือนกันกับข้าวเราไม่ใช่ทานแต่ในพรรษาออกพรรษาเราก็ทานไม่เห็นว่าออกพรรษาแล้วไม่ต้องรับทานอะไรมันก็อิ่มเองมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่บุญกรรม ที่เราทำกัททำนองเดียวกันอย่าไปถือว่าพรรษาหรือนอกพรรษาให้ทำไปทุกการทุกเวลาเมื่อใดยังมีชีวิตเป็นอยู่อุตสาห์ประกอบคุณงามความดีเอาไว้เพื่อเป็นกำไรของชีวิตไม่อย่างนั้นเราก็ไม่มีความหมายอะไรเกิดมาก็เหมือนสัตว์วัดไม่ข้าวไหวเจาว้าไม่นก บ, บุญศีลจีนทานไม่เคยละลึกนึกถึง ตายไปมันจะเป็นอะไรช่างมันถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรผิดแตกแตกต่างไปกับสัตว์แล้วตายไปเมื่อใจมันเป็นสัตว์มันจะไปเกิดเป็นอะไรมันก็ไปเกิดเป็นสัตว์อะไรสิพอใจมันเป็นสัตว์มันมืดมันบอดอยู่แล้วถ้าใจมันเป็นมนุษย์คิดหาคุณงามความดีมีสติปัญญาพอที่จะรักษากายวาจา จิตใจคล่องตัวได้อะไรที่มีคุณค่าสาระควร น, นํามาประดับประดาควร น, นํามารักษาก็ น, นําอันนั้นมาเสือเป็นประโยชน์แก่ตัวคล่องตัวนี่คือจิตเป็นมนุษย์ตายมันก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ได้เพราะคุณงามความดีมันแสวงหาเอาไว้แต่ใจมีหิริโอตตะปะกลัวบาปอายบาปมีธรรมอันขาวประจําจิตประจําใจคนนั้นตายไปก็เป็นเทพพระบุตรเทพพรธิดาถ้ามี กางสมาบัติตายไปกว่าเป็นไปเกิดเป็นพรมถมาติเลตตายไปกว่านิพพานมันเป็นอย่างนั้นนี่พวกเราท่านมันอยู่ในขั้นไหนควรแล้วหรือว่าออกพรรษาแล้วจะไหมทมําบุญสุนทานอะไรหรอกพอออกพรรษาแล้วอย่าไปคิดชีวิตเรายังมีอยู่กต่ทาบําเพ็ญด้วยไปคุณงามความดีส่วนไหนที่ควรจะได้จะเห็นจะเป็น ขึ้นในจิตในใจอุตส่าห์พยายามกระทําตามคุณงามความดีนั่นนั้นเมื่อเราทำอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่ว่าพรรษาหนอกพรรษาถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันกับเราทานอาหารยังไม่ตายเมื่อใดเราจะต้องอาศัยอาหารอยู่อย่างนั้นจะเป็นในพรรษาหนอกพรรษาเราก็ทานอยู่อย่างนั้นนี่การทําคุณงามความดีถ้าคนคิดแบบนี้มันก็พอทาได้ แต่ส่วนใหญ่เคยสั้งเกตเมื่อเขา้าพรรษาวันพระวันศีนก็พอเสียสลามาจำศีนได้แต่พอออกพรรษาการงานทางบ้านการเจ็บเจียวพวกชาวนาก็หมดไปไม่มีธุระหน้าที่อะไรที่จะยุ่งเหยิงแต่ไม่ถือว่าเป็นสำคัญเหมือนพรรษา<ม>เข้ามาวัดมาว่าไม่ได้มันเป็นแบบนั้นนี่หมายถึงนูน่นหรอ ทางประเทศเขมรทางประเทศยวนประเทศลาวแต่ประเทศไทยเราคงไม่เป็นแบบนั้นผู้ที่เขาเป็นความนินตีมาแล้วมันเป็นแบบนั้นแต่พวกเราไม่ได้เป็นแบบนั้นให้ถือเป็นเรื่องสำคัญการระพืดปฏิบัติตัวค้องตัว ส, สาะแสวงหาคุณงามความดีเอาไว้ไม่อย่างนั้นเกิดมาก็าขาดทุนศู์กาไรพอคนเกิดมาเกิดมาจากบุญจากกุศล ไม่ได้เกิดมาจากความปาถนาของตนถ้าปราถนาอยากเกิดเป็นอะไรเกิดได้ก็ไม่ต้องสร้างคุณงามความดีอะไรปาถนาอยากได้อะไรเรื่งนั้นเกิดมาก็ไม่ต้องลงมือทํางานอะไรปาถนาอยากอะไรอันนั้นลอยมาอิ่มเองขึ้นก็ไม่ต้องดื่มต้องกินเรื่องปาถนาเอามันก็อิ่มมีต้องลงมือทํามันจริงจะได้ เราทำความดีความดีมันไม่หนีไปไหนมันจะย้อนกลับมาสู่กายสู่ใจของเราเราทำความชั่วก็ทำนองเดียวกันแต่นั้นขอให้นำไปพินิพิจารณาเพื่อแก้ไขขับไ ล, ล่กิเลสตัณหาของใจถ้าไม่มีธรรมะเข้าขับไล่ก็เหมือนคนไข้ไม่มียาไม่มีทางที่จะหายมีแต่ทางจะตายเข้า ลงสู่เมมถต น, นั้นเรามีธรรมะในจิตในใจก็เหมือนคนไข้มียาสามารถที่จะแก้ไขขับไล่โรคภัยนั้นนั้ น, น, นให้หายไปสบายไปได้แต่นั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นของมีคุณค่าสาระสูงไม่มีใครที่จะฉลาดแหลมคมเหมือนพระพุทธเจ้า พูดสิ่งใดสิ่งนั้นยังคงเช่นคงวาเพราะท่านมียานภายในเข้าใจทั่วถึงว่าธรรมะที่บัญญัติลงไปนี้จะไม่เป็นพิษเป็นภัยจะไม่ล้าสมัยเป็นของที่จะทันสมัยเสมอไปไม่เหมือนกฎหมายบ้านเมืองเดี๋ยวพวกนี้เป็นรัฐบาลขึ้นล้ารัฐมนุนใหม่เดี๋ยวไม่จีวันจีเวลาล่มรัฐบาลผลล่างใหม่อยู่อย่างนั้น นี่สีนห้าศีนแปดีนสอง้ยยี่สิบเจ็ดพระธรรมคำสอนทุกบททุกบาทที่บัญญัติเอาไว้ตั้งสอง0ันห้าร้อยยี่สิบกว่าปีมาแล้วก็ยังเหมือนเดิมอยู่หรือใครวาศีนข้อไหนมันคือมันล่าสมัยมันยังไม่มีใครที่จะสามารถลบล้างศีนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นอกจากคนที่ มืดบอดเท่านั้นมันจริงจะสามารถเหยียบไฟได้สต า, าคนตาดีๆธรรมดามันไม่เหยียบไฟเหยียบมันเจ็บมันเผานี่รร ม, มาของพระพุทธเจ้ากทําทำนองเดียวกันการดูหมิ่นนินทาผู้ดีมีปัญญามันผิดตามหลักเป็นบาปเป็นกรรมสันกล่าวเอาไว้ เป็นภาษาบาลีก็มีอยู่ถ้าไปดูมิ่นนินทาว่าเปล่าของดีว่าไม่ดีดูมิ่นดูถูกเหยียบยามมันผิดอริยปวาร์กาวตูถ้าอาริยะเจ้าเป็นบาปเป็นกรรมนะกาวตูคนทานคนชั่วคนเสียนั้นไม่ค่อยจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรเท่าไร เพราะเขาเหล่านั้นมันไม่มีคุณค่าสาระว่าไปแล้วมันก็ไม่เป็นพิดเป็นไทยเหมือนกันกันกบมีดท่าของเราขี่ปืนไมคคมถึงถูกที่ไหนมันก็ไม่เป็นบาทเป็นแขหรือเท่าไรท่ามีดท่าคมเท่าไรไปแจ็ตต้องโดนเขานิดๆหน่อยๆมันก็เป็นแข พอมันคมนี่พระพุทธใช้เจ้าหรือพระอริยะเจ้าท่านเป็นผู้ที่ดีมีอาจมีธรรมคนไปดูหมิ่นนินทาว่ากล่าวต่างๆจึงเป็นบาปเป็นกรรมแต่คนที่ดูหมิ่นนินทานั้นท่านเรียกว่าอาริยปวาระาเป็นบาปที่หนักหน า, นาไม่ใช่บาปเล็กน้อยแต่เราจะทราบเรื่องพระอริยะเจ้าได้ก็เพราะอาศัยการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ อาศัยอันอื่นจะไปดูรูปร่างกลางตัวหรือคําพูดของคนสันพูดดีอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวไปเชื่อว่าเป็นอริยะเจ้ามันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันคนพูดดีมันมีมากแต่คนปฏิบัติดีมันหายยากธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงมีหลายสั้นที่ควรที่นี้พิจารณากันไม่ใช่ว่าสันพูดดีมีจิตียางามสัน จะเป็นคนดิบคนดีทุกคนไปมันไม่ถูกอีกเราจะต้องศึกษาที่จะรนญนาให้ทั่วถึงทุกอย่างให้เห็นอัดเห็นธรรมในจิตในใจเราเราจะทราบคนที่ ค, ควรกราบควรไหว้ควรสักการะบูชาเราทราบคนที่จะติดสินนินทาเราก็ทราบอีกเหมือนกันแต่เราไม่ว่าถ้าไม่ควรว่าเป็นเรื่องของเขา เพราะเราไม่ต้องการของชั่วเพราะสิจะหอบจะหิวจะกรอบจะกลยุยเอานี่ความชั่วทั่วไปไม่ว่าอยู่นอกกายของเรานอกใจของเราหรืออยู่ในกายของเราหรืออยู่ในใจของเราเราต้องขับไล่เราต้องกำจัดมันออกไปใจจึงจะมีความสุขความสบายใจจึงจะมีความสงบใจจึงจะมีความเย็น จ, จึงจะมีแสสีมีแสงให้การประพฤติปฏิบัติ ทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดจะต้องประพฤติปฏิบัติให้มีอัตมีธรรมในจิตในใจเหมือนคนมีไฟไปในที่มืดจะต้องเห็นถนนหนทางในตกหลุมตกบอ่อโดนหลักโดนตอมีอะไรผ่านมาก็จะเห็นในเหยียบสารพิษต่างๆ มองเห็นได้พอหลีกเกลกเียงไฟก็หลีกเลียงไฟคนม่มีไฟไปในที่มืดยอมมีอันตรายมากยิ่งเขาไปในป่าในเขาที่มีสัตว์ร้ายก็ยิ่งจะเป็นไฟใหญ่แต่นั้นไฟคือธรรมะปอาชีพคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเราควรเอามาส่องในจิตในใจของตัวตลอดไป คนที่มีธรรมะมีทานมีศีลมีภาวนาคนนั้นแหละจะปลอดภัยจะไปเกิดสถานที่ดใดไม่ผิดหวังเพราะเขามีคุณธรรมในตัวของเขาเราทุกคนยินดีปรารถนาอยากจะไปเกิดในสถานที่สุขที่สบายถึงตายไปแล้วก็อยากจะไปสู่พบสู่ ชาติที่เหมาะที่สมเราจรึงควรกระทำบาเพ็ญคุณงามความดีเอาไว้อย่าไปตายใจนอนใจนี่ก็ทำบำเพ็ญเสียไม่ว่าในพรรษาหนอกพรรษาทำไปตามกําลังความสามารถของเราที่จะทำได้คนแบบนี้ทางาศาสนาถือว่าคนไม่ประมาทคนประมาทคือคนตายถึงจะมีชีวิตเป็นอยู่ กว่าจ ม, มีคุณค่าสาระอะไรที่จะทำคุณงามความดีใส่กายใส่ ใ, สใจของตัวเรียกว่าคนประมาทคนที่ไม่ประมาทสามารถกอบกวยเอาคุณงามความดีได้ทั้งสิ่เป็นพระเป็นเนีนกว่าดีเป็นคารวะกว่าดีมีหน้าที่จะทำใส่ตัวของตัวเพราะทุกคนมุ่งหวังคุณงามความดีทางนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้น โงพากันทินิทิเจนากระทำบำเพ็ญบุญกุศลเอาไว้เพราะจะเป็นเพื่อนสองของใจจากโลกนี้ไปจะไม่มีผิดหวังเพราะเรามีคุณความดีเป็นผีเลี้ยงจะนำตัวของเราไปสู่สถานที่เราชอบเราต้องการแต่นั้นเมื่อทุกท่านได้สะดับรับฟัง ทำบรรยายอย่างที่อธิบายมาจงนำไปพินิจพิจรารณาเหมือเห็นว่าเป็นทางที่ดีที่ชอบกระลงมือประกอบประพืชิปฏิบัติตามต่อต่นั้นไปก็จะมีค ว, ค ว, ความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมคว ร, รออถึงเวลาก็ยติเพียงแค่นี้เอ๋บัง